สี่สิบสี่นและพีนาลกุไปเที่ยวกลางคืนสายันตรมไบติกเวลลดมที่นี่มีดิสโก้เทคไหมสายันตรมไบติกเวลลดมที่นี่มีไนท์ับブไหม กยนนทลบที่นี่มีผับไหมอกั้ยเดนนะบเย็นนีที่โรงละครมีอะไรอีสายนั้นเทเตอร์แล้วเย่ไม่ประสับศปตนดเย็นนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรอีสายนั้นซิมาลวเย่โมบีอาบตัน เย็นนีที่โทรทัศน์มีอะไรดูอีสานเทรนทีวีเลยเย่มุยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะทีอเตอร์เบลเลแดนิกิติ๊กเก็ตลิงก์กับดลกุธุนัยยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะซีนิมาเกเบลเลแดนิกิติ๊กเก็ตลิงก์กับดลกุยยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ ฟุตบอลแมตช์กี่เวลาได้ไหมคิดติ๊กเก็ตเลยอิงค์าดูรู้คุ้นนัยยะดิฉันต้องการนั่งข้างหลังนวกกูวกูนดิฉันต้องการนั่งตรงกลางนมัยกเูวกุนดิฉันต้องการนั่งข้างหน้านีนุมุนดูกูชวกุนาน คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมมีรนากเยไนาฟอร์สเจสตารการแสดงเริ่มเมื่อไหร่ประเด็นาเหปปุ่มบอลเดลตนดีคุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมมีเรนวกติเกตเตจชิะลกตารแถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม ดักรูลล้อยากไดนะ้นาโกลฟ์ฟ้าด้วยไม่ได้นำเอเมแถวนี้มีสนามเทนนิสไหมดักรูลล้อยากได้นาเทนนิสฟ้าด้วยไม่ได้นำเอเมนาวแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมดักรูลล้อยากได้นานะอินดอร์สว imming พูลวุ่นตา